ซีดีทัมาบรรยายนทุดฟังทีไยได้สุกทุกทีโดย ร, รับรองุณาพอออรออปุตโตวัดยานเวศสกวรรตำบลบางกระทึกอํเภอสามราษจังหวัดนคนรปฐมเรื่องที่1ิชีวิตและสังคมพุกประคมถึงท่านมิจฉุกตก็พอคนจะจมปิดอยู่แค่ความสุขที่พึ่งทาการเสดบรรยายแก่พระนวักกะรุนน่นทันษาพุทธศักราช2539ันามสิบเพูดเรื่อความสุขยังไม่จบเพิ่งจะได้ความสุข ข, ขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นความสุขที่เกม่เนื่องกับาเป็ น, <บ>น อ, อยู่ประจำวัน ด้ชีวิตประจำวันเป็นความสุ ข, ขัารพื้นฐานเนื่องด้ชีวิตเองซึ่งเมืก่อนวันทั้งเราแด้อันนี้ไว้เป็นฐานนี่มันเป็นทุนที่สบายเป็นตัวเยอะแต่มันรุนปัจจุบันนี่มัสูญเสียความสุ ข, ขัารพื้นฐานนี้ไปซะโดยที่ไปมัวแสวงหาทะยานร่ายรนหาสุขจากการเสพแล้วก็ได้มาซึ่งสิ่งบำรุงมือนั้นแต่อีกด้านหนึ่งก็สูญเสียความสุ ข, ขัารพื้นฐานนี้ไปนียนี่ไม่ใด็ยังไม่พูดถึงการที่จะพัฒนาให้มีความสุขอื่นๆเพิ่มขึ้นเลยแค่ความสุขพื้นฐานก็มีปัญหาแแแล้้้้้ววอออนนนนีีีีีพูดดททิงไกกนนก็มมห่ย ที่บอกว่าคนที่ทะยานหาสิ่งเสพมาบำเบลสุขทางด้านอาจนาจตนรอินทรีย์ตาหูจมูกนิ้นกายที่เรียกว่าการมาสุขหรือว่าเป็นสุขประเภทอาศัยวัตถุภายนอกหรือว่าสามิสสูขเนี่ยก็ทํทำให้เกิดการห่างเหินและแบ่งแยกจากสิ่งที่ชีวิตต้องเกี่ยวข้องหรือเป็นอยู่โดยสัมพันธ์ตลอดเวลา3อย่างคือห่างเหินแตกแยกจากธรรมชาติห่างเหินแตแยกจากเพื่อนมนุษย์ดันหรือสังคมแล้วก็ห่างเหินแแยกจากกิจกรรมชีวิตของตัวเองทีู่ตัวเองนี่ความห่างเหินแบ่ แ, แยกนี่ก็จะต่างกันนิดหน่อยนะ ในระยะไม่กี่ปีมานี้มีสับใหม่แปลกแยกซึ่งเป็นสับที่บัญดัลหรือว่าคิดขึ้นมาเพื่อจะแปลคำศัพท์ภาษาอังกฤษว่า alienation ก็นับว่าเป็นคนคิดเข้าใจหาสับเหมือนกันนะก่อนจะได้สับปแปลแกแยกก็เป็นวิวัฒนาการทางภาษาที่ได้ประโยชน์ความแปลแกแยกนี้ให้ความหมายดีเหมือนกันไปสื่อคว่า alienation นี่ในภาษาไทยเดิมก็เราไม่รู้ว่าเราเคยใช้สั์อะไรสหรับคำแปลกแยกือนแปลกแยกก็ไม่เหมือนเดเดียวอย่างาทาืธรรมชาติกับแปลกแยกธรรมชาติหมายความว่ามันไกลจากกันแต่แปลกแยกใหมายความทั้งอยู่ด้วยกันแต่มันแปลกแยกทีนี้ ยกต right, so like, ัวอย่างในธรรมชาติเนี่ยมนุษย์ปัจจุบันจะมีทั้งหางเหิและแหล่แยกหางเหินก็อย่างคนที่ยกตัวอย่างเมื่อเช้าว่าไม่ได้พบในป่ากับธรรมชาติเลยเพราะสิ่งประดิษฐ์เทคโนโลยีของมนุษย์นี่มันเกิดขึ้นมามากจนกรทั่งว่าได้สร้างขึ้นเป็นโลกของมนุษย์ที่แยกการหาจากโลกของธรรมชาตินคนจำนวนน้อยได้อยู่กับโลกของมนุษย์ที่เป็นโลกของสิ่งประดิษฐ์โลกของเทคโนโลยีก็หางเหินธรรมชาติไม่เจอไม่พบกันก็เห็นว่าจันทร์ไม่เห็นพระอาทิตย์และต่างๆแล้วก็ไม่เห็นต้นไม้ไม่เห็นภูเขาแต่นานเ ไม่สามารถจะสัมพันธ์กับมันในทางที่จะให้เกิดความรู้สึกเขซาบซึ่งได้ความสมบ์ได้อย่างมนุษย์ปัจจุบันเนียที่มัววุ่นวายกับการหาสิ่งเสพออกมาเป็นระบบริโภระบบการแข่งขันอย่างิงผลประทีนี้แกก็วุ่นวายอยู่กับการหาผลปโดชนความคิดแกก็มาหมกมุ่นกับเรื่องเหล่านี้จิตใจความรู้สึกกวุ่นวายกับเรื่องเหล่านี้เช่นว่ามีการห่วงกังวลว่าเราจะไม่ได้ผลประโยชน์อันนั้นมีความห่วงกังวลว่าผลประโยชน์อันนั้นจะสูญเสียไปมีความห่วงกังวลว่าคนอื่ แม้เขาจะไปหาโอกาสไปหาธรรมชาติบ้างแต่จิตใจเขาพุ่งวุ่นวายใจเขาไปอยู่ที่นั้นใจเขาไปอยู่ในเมืองใจเขาไปอยู่ที่วันข้างหน้าวันที่เปิดทํางานอีกเขาจะต้องไปวิ่นวุ่นวายเย่งชิงผลประโยชน์กับคนอื่นและต่งางๆทั้งที่ตัวอยู่กลางธรรมชาติอยู่ทํามกลางสายลมแสงแดดดอกไม้อะไรนี่นะแต่ว่ามันไม่สามารถได้รับรความสุขสัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นได้จริงเพระาะใจมันไปวุ่นวายเร่าร้อนไปอยู่วงกังวลกับสิ่งที่อยู่ในบ้านในเมืองในชีวิตทางการแข่งขันเย่งชิงผลประโยชน์นั้นใช่ไหม นี่คือลักษณะที่แปลกแยกงนั้นทั้งที่ตัวไปอยู่ใจก็ม่อยู่ใจไม่สามารถได้ความสุขจากสิ่งแวดลอ้อมอย่างตัวอย่างเรื่องธรรมชาติที่ชีวิตของเขาทั้งสัมพันธ์เกี่ยวองเนี่ยที่ชีวิตของเขาเป็นส่วนหนึ่งด้วยเนี่ยตอนงทางเหินนะธรรมชาติได้อนนั้นมีน้อยลงหทางเหินแล้วยองมีนน้อยอีกสมที่มีน้อยนั้นก็อยู่ในสภาพสมโทรมอีก4เวลาเขาไปอยู่เขาก็ไม่สามารถได้รับสัมผัสแห่งความสุขความรื่นรมย์จากมันได้จริงยามเต็มสมส yeah. เ ง, สง เ, เกต ทีนี้ในเมื่อมนุษย์เดิมเนี่ยมันมีแรงความสุขพื้นฐานสามประการที่ว่าก็ไม่ใช่ว่ามนุษย์ส ม, มัยเดิมนี่แกจะได้ความสุขจากแรงทั้งสามนี้สมมติไปนะคือว่าด้านธรรมชาติด้านเพื่อนมนุษย์ด้านกิจกรรมชีวิตเนี่ยคส ม, มัยก่อนเขาต้องมีปัญหาหรือว่าคนที่อยู่ท่ามกล า, างสิ่งเหล่านี้ยังไม่มีสิ่งเส็ ม, มากมายเขามีปัญหาได้เหมือนกันแต่ว่ามันมีอันหนึ่งก็คือว่ามันไปบเฉยกันได้ใช่ไบางคนเนี่ยเข้ากับเพื่อนมนุษย์ไม่ค่ได้ส ม, มัยก่อนเขาก็เป็นเข้ากับใครก็ไม่ค่อยได้แต่ ไปหาความสุขจาธรรมชาติหรือม่งั้นแกก็ไปหาความสุขจากกรมีชีวิตทเาไรแไปทังโนไปดูเหมือนใครละหาความสุขของแกไปก็ชดเชยแม้่ในสมอย่างนี้อาจจะเสียอนุนน์่เปอนนท์ออนนมช่วยมาแทนกันไปในคนที่ว่ า, าไม่ชอบดูธรรมชาติก็ไป ส, สัสกับเพอมนุษย์ใจมันก็มีความบริสุทธิ์ใจมันไม่มีคามคลางแคลงไมีอ้เรื่องของความแปลกแยกความาดระแวงอะไรอยู่มันก็มีความสุขจริงพอสมคเป็นอนวัชดยกันทีนี้มนุษย์ดูนีนะันนี้ถ้าจะชดเชยก ถ้าดูในแง่นี้ก็อวสปรสียบคนสมัยโบราณเนี่ยก็เป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งทีนี้คนในสมัยโบราณนี่เขาก็มีปัญหาในเรื่องเหล่านี้อย่างคนที่ออกไปบวปชเป็นีจีไพตั้งแต่ก่อนพุทธกาลเนี่ยเขาอาจจะเบื่อนายเพื่อนมนเบื่อหนายครอบครัวเบื่อนายคนที่จะเกี่ยวข้องแล้วก็เบื่อนายชีวิตที่มายุ่งสมัยนั้นก็มีอยู่การแย่งชิงหาผลประโยชน์การเสพแล้วก็เบื่อน่ายอามณ์เสื่อนายต า, ามแกก็ปีกตัวออกไปอยู่เนธรรมชาติใช่ไหมยอย่างฤๅษีจีไพรเนี่ยมายุ่งเกี่ เนี่ยเป็นทางออกของมนุษย์ที่มีมตดเดิมแต่ว่ากลายเป็นว่าในแง่นี้แล้วมนุษย์ยุคต่อเนียได้เปลี่ยนมนุษย์ยุคนี้ได้เปลี่ยนตอนที่ว่ามีสิ่งเสพมากแต่ว่าไม่รู้ลงทุนนี้ได้ผลกาไรคุบหรือเปล่าเนี่ยหือขาดทุนเยับเยือกขึ้นไปหเานีเพราะว่าไอ้ส่วนที่สูญเสียไปนี่มันเยอะก็ได้เปลี่ยนในแง่มีสิ่งเสพเทคโนโลยีเยอะบนมุมโดดแต่ว่าในด้านเสียก็เสียแหล่งพื้นฐานนควาสุขสประการนี้ไปแล้ทางที่จะไปหาบรรทุกเชยก็ยากยิ่งต่อไปเนี่ยคนจะหลบสังคมหลบ เดียวก็แหล่งความสุขแหล่งความสัมพันธ์นฐานดังอย่างะนั้ น, นธรรมชาติพุทธศาสนาก็ให้มนุษย์นี้ไม่แตกแยกไม่ห่างเหิน 2. การเรื่องของสนมนุษย์พุทธศาสนาก็ให้พัฒนาความเป็นอยู่ความสัมพันธ์ที่ดีไม่ ใ, ให้ไปัดข ส, สังคมนั่นพุทธศาสนานี่ไม่ได้ให้พระนี่ไปดูอย่างฤูษีจีไพรติดตัวไปพระอยู่กันเป็นสงฆ์นอยู่ปปนนเป็นทุนทนพุจาตั้ปทุนในสังฆะพมาแล้วสังฆะนี่เป็นองค์หนึ่งให้พระตะนาตไหเลยเป็นหลักการสำคัญว่าพุ และกิจาในชีวิตให้พัฒนาในแง่กิจกรที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์ไมเป็นการ่เการทำลายไม่เป็นการเดนสมนุษย์ที่ดีให้เป็นไปในการเตการมีมิตรใจเมตตาตามหลักภูมิหารักษาความเป็นธรรมไว้ด้วยอันนี้แหละที่สาคัญนีเราไม่ใช่ปล่อยไปตามพื้นฐานเดิมแม้จะมีหลาสูพื้นฐานแล้วถ้าไม่พัฒนาก็เกิดปัญหาาสิรันได้แม้จะต้องมีการพัฒนาความสำคัญที่ดีงามนีฝรั่งไม่เขตาใจศาสนาฝรั่งใน้อยมาศึกษาศาสนาีแยนี บางคนก็บอกพศาสนานีเป็นอัศ e ิซิส s ึ a อ c ศติซิสซก็คือรัติก็พรูียคลักษณะของรัติตเรืออักตัวคนถ้าเป็นรัติก็เป็นติซลักษณะของชีวิตแบบนี้ก็คือ1ปตัวไม่อยู่เมเียวกับใครเช่นเป็นยาพระสนดพระวสดนี่เป็นพระโพธิสัตว์ก็จริงแต่ว่าพระโพธิสัตว์นั้นไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ใช่ผู้ที่บรรลุอยู่ในพุพธศาสนาแล้วย่อมผิดย่อมถูกอยู่คนมองพระโพธิสัตว์ไม่ มาเพ็นความดีคุณธรรมต่างๆที่ว่ารียบบารมียังยวดยิ่งใช่อันนี้ในการบาเพ็ญบา ร, รมีนั้นในฐานะที่เป็นมนุษย์ปุถุชนก็ทำให้ดีที่สุดแต่ปัญญาเดี๋ได่เป็นพ้นที่ยังไม่เป็นพุทธะก็ทำเท่าที่เช่ยวชาสติปัญญาตัวเองว่าดีหรือเห็นว่าสังคมคติยมสังคมตกลงว่าอันนี้เป็นคุณธรรมที่ดีท่านก็รู้เท่านั้นก็ทำให้ดีที่สุดเท่าที่มนุษย์ยุคนั้นจะทำได้แต่ไม่ได้หมายความว่าพระพสัต์จะทาถูกหมดใช่าาในระดับที่มนุษย ยอมรับกันในระดับสังคมค่านิยมที่ดีและต่างๆเท่าที่ปัญญามนุษย์ษยุคนั้นจะคิดได้ในพระโทธิสัตย์ยอดสุดแต่ก็ยังไม่เป็นพุทธะเพราะฉะนั้นการกระามของท่านนี้ยังไม่สามารถเอามาเป็นเพียวิธีใช้ความถูกต้องโดยสมบูรณ์เพราะท่านยังทดลองอยู่ใช่ไหมเออพระพิสุก็จะกบเทธไม่ได้ถ้าประกาศได้ไงละครับไม่มีทางแนละ้วว่าผชาไม่ได้ี่แบบไม่ได้เออจำกัดกัดตรงนี้แล้วกัก็เอามาเป็นเพียงพระโพธิั์แบบเดียวกามากราบพระพุทธลูกมาวางตั้งบนข้างๆแต่ว่าพระจะไปกราบ เราไปกราบได้ที่ไหนล่ะยังไม่เป็นโคจิเจ้าไม่ได้ไ้กรา vai, กบพระเวสสัดนดรได้ที่ไหนใช่ไหมเน่ได้ไม่คนอินก็เป็นโพธิสัตว์อันนี้เป็นพัฒนรราการดูดหลังพศ6ก0จ็ดอยปีแล้วสักเรานั้นห้าหปีที่โรที่วัดตอของแฟรมมีวัดยครับเานม้คินสลับด้วยีอที่าะไอซีเอาไว้คนเชันนายอรเไปแล้วก็มีิมต่วันกมนินสามารถป็นกได้รายจริงอะไจที่เช่นราจะายโ่ไปอินที่าก็จะเป็นวัดนงงจ แต่คันหาไปไหวได้ไม่เป็นไรแต่ไหว้าต้องไหวให้ถูกคติโพสัตว์ติโพิสัตว์แท้ตามความหมายเดิมของโพธิสัตวนะก็เคยพูดแล้วเนี่ยบอกเป็นแบบอย่างในการบำเพ็ญความดีเป็นเครื่องเตือนใจเราแล้ให้เกิดกำลังใจในการทำความเพียรในการบำเพ็ญคุณธรรมใชม่เราทำความดีต่งตางๆแล้วเราอาจจะท้อถอยเพราะเราเป็นมนุษย์บุญชนอ ย, ย่างอ่อนแอเราได้พระพุทธเจ้าในพระโพธิสัตว์มาเป็นแบบอย่างแท่านทำความเพียรท่านช่วยเหลือต้นมนุษยชาติชีวิตของท่านได้เรากำลังเกิดความท้อแท้เราเริ่มอ่อนแอลงพอเรามานึกถึงท่านเราก เปลี่ยนความเข้าใจใหม่เป็นว่าพระโพธิสัตว์ท่านมีความเพียรมีในการทำความดีท่านมีเมตตากรุณาสูงช่วยเหลือเพืมนุษย์ัตทั้งหลายท่านพร้อมที่จะช่วยคนอื่นท่านมีกรุณามากเพราะฉะนันเราก็ไปขอความช่วยเหลือจากท่านพอเป็นอย่างนี้ปัจุันกลับไปเป็นแบบศาสนาโบราณเหมือนกับพระโคนีนี่เป็นแบบเทพเจ้าจะเป็นลทัทธิไปก้อนบอลบูงสูงขอผลประโยชน์ขอความที่เหลือไปก็กลายเป็นทำให้คติโพธิสัตว์นี่ไปเป็นแบบคติเทพเจ้านะฮะคือนี่มันผิดหลักพระโคนีก็คือพระอัลลอฮ์พระอลัะอลอลอฮ์กิเตสุนี้ก็ ก็เกิดจากการที่แง่น่ก็คือแาแข่งกับศาสนาฮินดูที่ก็มีเทพเจ้าคนกระบายขอขาม่เหลือทีนี้ทางไฟพุทธศาสนามหาดานกเลยหาทางให้ชาวพนี้ได้มีความอบอุ่นใจมีสิ่งปลอบประโลมใจมีสิ่งที่จะมาช่วยให้ความวังในการช่เหลือก็เลยเอาคติพุทธมาใช้ในความหมายใหม่ในความหมายที่ไปเป็นแบบฮินดูไปคือไม่ใช่คติเดิมที่ว่าพุิศาส์เป็นแบบอย่างในการทาความเพียรในการทำความดีอย่างเอาจริงเอาจังอย่างเข้มแข็งอย่างเด็ดเดี่ยวและอย่างศรีก็เลยเปลี่ยนความหมายไปเอาละครับทีนี้ก็ยอนกลับมาเรื่องนี้เลยไม่รู้พูดไปถ พระเสดรท่พูดไปแล้วก็คือหมายคาวาม่พระิสัว่าพระิสัต์นี่ก็ท่านยังมาเป็นความดียังบเป็นบารมีอยู่ยังไม่ตรัสนะรู้นี่ือที่วายไม่ได้ต่ตางๆนีุ่ดรที่พูดเรื่องนี้ปจเรื่องอะไรนะฮะอ๋ะอพระศสดรนะเป็ น, นเป็นีจีไพรท่านก็ไปอยู่โดดเดี่ยวของท่านนี่ในพุทธศาสนานี่พทุทธเจ้าตั้งสังฆคือหมาชีวิตทุมชนใช่จะมีส่วนยึดยึด ม, มากในด้านนึงก็ส่งเสริมให้พระไปตัวหาความสงบสงัดแต่ในการปรตัวความสงบสงัดนั ควาผูกพันกาชุมชนโดยทัวันวันต้องมาเข้าที่ประชุมครั้งหนึ่งใช่มนี่ยนี่คือชีวิตสังฆะน่แล้วจะต้องมาพึ่งพาสายอาหารจากชาวบ้านต้องมาบินตาบาัดต้องมาสื่อสัมพันธ์มาแลกเปลี่ยนให้ธรรมะประชาชนได้ประจายอาหารไปนะก็มพาพาาพระภิกษุเนี่ยที่ถือว่ามีชีวิตสงบสนับที่สุดก็ยังแยกตัวตัดขาดจากสังคมไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นสังคมพระยกันหรือสังคมพระกับพระฤๅษีในแง่พระฤๅษี ก, ก็เอาวินัยผูกมัดชีวิตพระสงฆ์ไว้ว่าจะไปเที่ยวหากินเองได้ได้ต้องมาฝากทิงกับชาวบ้าน ไม่ใช่เศรษฐีสิ่งในแง่ที่1ก็คือแง่ที่ปกตัวตัดสังคมในแง่ที่สก็คือข้อปฏิบัติอาเติกนี้จะมีข้อปฏิบัติปเป็นธรมาลตวเองพุทธศาสนาไม่ใช่รัฐธรนแบบนั้นแเป็นมรรมาปฏิปทานและการที่ว่าจะใช้วัตถุเสษน้อยละนีก็มาต้องสัมผัสไปการพัฒนาจิตใจเช่นการสัโดดมากน้อยเขาจะทาได้ดีก็เมื่อเขาพัฒนาจิตใจให้เป็นอิสระมีความสุขทาจิตใจได้มาแล้วก็เลยมีอิสระทางจิตใจขึ้นต่อวัตถุเศษน้อยลงเนี่ยไม่ใช่เขา ไหลลงตามกระแสเรื่อยไปก็เลยมาสึดตัวเองตอนแรกอาจจะรู้สึกมุญกว่าลำบากบ้างแต่พอสึกแล้วก็จะเกิดความรู้สึกดินดีพอใจก็ได้พัฒนาตัวเองไปเอาละครับนี่ก็เรื่องของพุทธศาสนาไม่ใช่ว่าพุทธศาสนาจะไปชื่นชมยินดีกับระบบชดเชยแบบลูซิชิไพรที่แกไม่เอาการวัตถุเสร็จสังคมมนุษย์เบื่อก็เลยออกไปอยู่ปลีกตัวไปหาธรรมชาติอย่างเดียวก็ไม่ถูกเหมือนกันนก็พุทธศาสนาก็เป็นระบบชุมชนให้มนุษย์อยู่กับชุมชนที่พัฒนาแล้วก็ไปเอาไม่แปลยทางเหินทั้งธรรมชาติเพื่อมนุษย์ในการเลิก่ มนุษย์อยปัจจ on ุบันนี้ในเมื่อแกบุ่นวายกับการหาสิ่งเสพนี่แกไม่รู้ตัวหรอกอะไรี่ธรรม่านนี่เมื่อเน้นให้คุณค่าตีค่าวัตถุเสพสูงสุดก็รือพัฒนาภาพสุด้านอื่นๆเพราะนั้นแกก็จะพัฒนาชีวิตเหมือนกันแต่พัฒนาชีวิตคือให้เกิดความสามารถที่จะหาสิ่งเสพเรลานีมาสนองความต้องการอันนี้การที่จะพัฒนามนุษย์เนี่ยก็คือระบบที่รียกว่าการศึกษาการศึกษาก็จะเลยมีความหมายว่าเป็นการพัฒนาความสามารถที่จะหาสิ่งเสพมาบรเลุความสุขเป็นการพัฒนาด้านเดียวอย่างที่เป ได้โดเป็นผลทางเคียงข้างแทนที่จะเป็นผลที่เกิดาปัญญารู้ความจริงดังนั้นการศึกษาปัจจุบันนี้ก็ขอย้อีกทีว่าไดกลายเป็นการศึกษาที่มีความหมายว่าเป็นการพัฒนาความสามารถที่จะสิ่งเสริมบำรุงความสุขโดยมีวัตถุเสริมนั้นนูนเพียบเป็นจุดหมายของชีวิตไปไม่ว่าได้วัตถุเสริมพร้อมๆก็คือความสุขความสมบูรณ์ของชีวิตนี่มันก็เป็นการพัฒนามนุษย์ที่เสียดุลยภาพแต่ว่ามนุษย์นั้นสามารถพัฒนาชีวิตในด้านที่จะมีความสุขอื่นแม้แต่ความสามารถที่จะมีความสุขได้ตนเองมาก พอทีิทของเขาขึ้นแตสิ่งเสพมากยิ่งขึ้นแล้วเขาแปลกแยกเกิดจากแหล่งความสุขพื้นฐานและไม่สามารถพัฒนาความสุขที่กระดิ่ลึกซึ้งที่เป็นอิสระขึ้นมาต่อมามันก็จะมีลักษณะที่รกระถ่ายความติดใจตัดไว้ก็เป็นความสุขของคนประเภทที่เรียกว่าเป็นความสุขของคนที่เก่าที่พันเป็นความสุขจากการเตาที่พันใช่ไหมหรือเปนความสุขของคนโรคเรื้อนคนโรคเรื้อนนี่จะมีลักษณะอย่างหนึ่งคือแก่มีแผนตามตัวแล้วก็ขันเมื่อแกขันเนียนะให้ตัวไ้ความขันเนี่ยมันจะรุนแ้าแกให้แกต้องเอาใช่ไหม เม่แกเกแก็มีความสุขจากการเกาที่ขันม่ไยิ่งเกาก็ยิ่งขันไหมอยิ่งขันก็ยิงย่งเกายิ่งเกาก็ได้ความสุขจากการเกาแล้วก็ก็ยิงย่งขันยิ่งขันก็ยิ่งเกายิ่งเกาก็ได้ความสุขจากการเกานะีพาะนั้นคนยปัจจุบันเนี่ยก็จะมากระตุ้นเราไอ้ตัวปัหาความทยานอยากอันนี้คือความรุนเร้าในการที่อินทรีย um ์ตาหูจมูกนี่นจะต้องการสิ่งเสพให้รุนแรงขึ้นเมื่ออินทรีย์มันต้องการสิ่งเสพรุนแรงขึ้นก็ ย, ยิ่งใช้ไอ้ตัวสิ่งสน แล้วคนที่เป็นโรคเรื้อนนี่ก็จะมีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือว่านอกจากการเกาก็คือการชอบไปผิงไฟการผิงไฟเนี่ยจะทให้แกได้ความสุขตอนนี้ยิ่งร้อนแกก็จะมีความสุขเพราะนั้นแกก็ไปถ้ามองในแง่ของคนทั่วไปคนที่เป็นปกติสุขภาพดีก็จะรู้สึกว่าไม่ได้มีความสุขเลยในการที่ไปผิงไฟมันน่าจะร้อนไปทุกข์ด้วซ้ำใช่ไหมแต่ว่าไอ้คนที่มันเป็นโรคเรื้อนเนี่ยมันสุขนะใช่ไหมมันสุขในการที่ไปผิงไฟมันร้อนเพราะมันหมามันรู้สึกว่ามันสะใจหมือยิ่งเกาที่ขันด้วยเหมาอนกันย แยกไปเนี่เรื่องของตามสุขสามิสุขก็จะมีลักษณะอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็เปลี่ยไว้แห่งหนึ่งว่าคนที่เป็นโรคเรื้อนหนึ่งก็มีความสุขจักการเตาที่ขันยิ่งขันยิ่งเตายิ่งเตายิ่งสุขยิ่งสุขยิ่งขันยิ่งขันยิ่งเตายิ่งเตายิ่งสุขยิ่งสุขยิ่งขันยิ่งขันยิ่งเตาไฟเลยนะแล้วก็ที่ว่าเอาตัวไปย่างไฟไปงมันไม่ิงมัเหมือนกับยางไฟแล้วทให้มีความสุขอันนี้ถ้าหากว่าคนไดพัฒนาตัวพระพุทธเจ้าก็ตัดว่าต่อมา แกจะอยากไปเกาอย่างนั้นไม่กจะอยากไปผิงไฟอย่างนั้นไมถามลยตอบว่าไม่ใช่ไหมแกจะไม่เอาด้วยก็จะรู้สึกถ้าาว่าจะไปพิงไฟนัน่นไม่ไปแน่ถ้าเกิดมีคนจะดึงตัวแกไปนี่แกจะดิ้นสุดตัวเลยใช่ดิ้นไม่ยอมให้เขาพาไปผิงไฟด้านไฟย่า ง, ๆๆางเตาเนี่ยก็เหมือนกับคนที่ว่าไม่ตกอยู่ใต้อนาจกรมและพัฒนาให้เกิดความสุขให้สุขภาพจิตสมบูรณ์ว่าจิตมันสมบูรณ์ดีแล้วเนี่ยนะเหมือนกับคนที่ร่างกายมีสุขภาพดีนี่นิดเบียดเทียบทางกายกับจิตจิตสมบูรณ์คือ การมาสุขทางด้านอินทรีย์เราเนี่ยว่าเป็นความสุขอีกนะเหมือนกับคนที่หายจากโรคเรื้องสุขภาพดีแล้วจะไม่เห็นการที่ไปเกาที่คันและการไปย่างไฟเอาตัวไปย่านไปถึงไฟไเป็นความสุขนะฮะเนั้นในผมจะแยกกระอุปนิมมาไว้ตอนี้ภาวะที่มีสุขภาพดีเนะี่ยยอเป็นที่ปราบฐนาของมนุษย์ชั้นใดการมีสุขภาพดีสมบูรณ์ก็คือการบรรลุนิพพานนะความเป็นความไม่มีโรคหรือความมีสุขภาพิดสมบูรณ์นั้นเป็นชื่อหนึ่งของนิพนะพานภาวะที่เป็นนะอิสระเพราะฉะนั้นนี่ก็คือการที่มนุษย์พัฒนาไปให้ถูก ก็จะเป็นเหมือนกับคนที่หายากโรคเรื้อนก็จะไม่แสวงหาความสุขจากการกมที่กันและไม่มองเห็นการเอาตัวไปย่างไฟเปความสุขอีกต่ก อ, อกไปนะีอันนี้ก็เป็นเรื่องของความสุขอย่างที่หนึ่งเรื่องการระสุขในนพูดไปแล้วก็มาสรุปประมวลเรื่องของการมาสุขซะหน่อยก่อนที่จะก้าไปสู่ความสุขระดับอื่นเรื่องการสุขรู้สึกจากสิ่งเสพต่างๆงาุ่นยตินกายเนี่ยเราได้พูดกันมาก็เยอะแล้วแต่ว่าพูดแบบกลางๆที่นี้เราลงมาประมวลเอาแล้วพระพุทธเจ้าก็ตัดว่าการมีทั้งแง่ดีและแง่เสียพรมพุทง อา ส, สายทาของกามคืออะไรก็คือความอริยอร่อยความสุขความชื่นใจที่ได้จากการเสดทตาหูาบูลิ้นตานั้นนี่เรียกว่าอสสาศทาของกามทีนี้ต่อไปอาทินวะโทษของกามละ่ะ โ, โทษกมก็มียอะอยู่โทษของกามแต่ที่สาคัญก็หนึ่งคือการที่ว่าต้องขึ้นต่อสิ่งเสพภายนอกนะกามเป็นสิ่งอยู่ภายนอกเราต้องขึ้นต่อมาถ้าเราจะมีความสุขต้องอาศัยมันไม่อยู่ในตัวของเราเองนี่ลักษณะที่หนึ่งคือขึ้นต่อมาเมื่อขึ้นต่อนะมันยังไม่ขึ้นต่อแค่นิดหน่อยคือมันขึ้นต่อลักษณะที่ว่าตอน ต้องเพิ่มปริมาณดีกนี่มันก็ทําให้การขึ้นต่อนี่มันมีความหมายอื่นที่จะต้องขึ้นมากยิ่งขึ้นอาศัยมกกันนี้ขึ้นทีนี้มนุษย์นั้นปกติอาศัยสิ่งเสริมเหล่านี้ในแง่ที่จะให้ชีวิตเป็นอยู่เช่นอาหารนี่เราอาศัยมันอยู่แล้วในแง่ชีวิตความเป็นอยู่ที่ใช้ชีวิตเป็นอยู่ได้แค่นั้นไม่พอต้องมาขึ้นต่อมาในแง่ความสุขอีกดีสิใช่ไหมเราขึ้นต่อมาในแง่การที่ใช้มีชีวิตอยู่ได้นี่ก็มากอยู่แล้วนะยังต้องไปขึ้นต่อมาในการที่จะมีความสุขด้ววันน้้มมมาาาจะทรขึแิลคสสุกก นี่เราตายตั้งขึ้นต่อมาทั้งสองทีนี้การขึ้นต่อมาในแง่ของอาศัยเลี้ยงชีพเ s <S นี่ยมันมีปริมาณหนึ่งจกัดแต่พอขึ้นต่อมาในแง่ความสุขนี่มันกลายเป็นเกินขอบเขตของการที่ต้องอาศัยในแง่ชีวิตเป็นอยู่ใช่เจ้อย่างอาหารเนี่ยเราขึ้นมาอยู่แล้วในแง่ชีวิตต้องอาศัยเป็นอยู่ในปริมาณเท่านั้นเองแต่พอในแง่ความสุขแล้วโอโ้โหคราวนี้ขึ้นต่อมามหาศาลเลยปริมาณไม่รู้เท่าไรเยใช่ไหมกลายเป็นระดับที่เกินจำเป็นกายเป็นระดับที่ฟุ้งซุยฟุ้งเฟ้อแล้ว ถ้าขึ้นแต่แง่ความสุขเอาให้มันสัมพันธ์กันแค่ว่าในระดับหรือปริมาณของความจเป็นในการเป็นอยู่ได้ไหมชีวิตเราอาศัยมันอยู่แล้วให้ความสุขขึ้นต่อมันระดับปริมาณพอๆกันไม่ใช่ว่าชีวิตขึ้นแต่มันเท่านี้โดยปริมาณเท่านี้เสร็จแล้วก็ไปขึ้นต่อมันในแง่ของความสุขนี่เพิ่มไม่รู้จัหยุดเลยจนเกิดปัญหามากใหม่ใช่ไหมนี่คือปัญหาของมนุษย์เอาเลยครับแปลว่าขึ้นแต่มันไม่ใช่เพราะในแง่ชีวิตเป็นอยู่แต่ขึ้นในแง่ความสุขด้วยและในแง่ความสุขนี้จะขึ้นต่อมันอย่างชนิดที่ไม รู้สึกสภาพจิตใจอีกมีผลต่จิตใจมีผลต่จิตใจยังไงล่ะอ้าวก็ต้องอยู่โดยที่ว่าเพราะชีวิตขึ้นต่อมันนี่เราก็ต้องอยากจะได้จะเอานะมันก็พัฒนาสภาพจิตที่อยากจะได้จะเอาเมื่ออยากจะได้จะเอายังไม่ได้ก็ต้องคิดแสวงหาอยู่ด้วยความหวังว่าจะได้เมื่อมีความหวังก็จะคู่กับความบาดคนที่ตราบใดยังมีหวังก็จะมีหวัดด้วยใช่ไหมเมื่อหวังก็จะได้ก็ต้องหวัดว่าจะไม่ได้พราะฉะนั้นเมื่อหวังก็บาดคู่กันทีนี้ถ้าไปสมหวังในขณะที่ยังไม่ได้ถ้ามันช้าไปนี่จะอยู่ด้้กกก็ทนัไเวลปุแ เมื่อไม่ได้จริงก็ผิดหวังก็ทุกข์อีกใช่มเมื่อไม่ได้ก็ผิดหวังทีนี้ถ้าได้ก็เกิดความสมหวังก็ามสมหวังแล้วต่อมาเคยชินเนี่ยเพราเคยชินชินชาต่อมาเกิดเบื่อสิเพราะเบื่อหน่ายแล้วเกิดต้องอยู่กับสิ่งเสพอันนั้นสิ่งปรนเรือที่เคยให้ความสุขพต้องอยู่กลายเป็นจมใจฝืนกลายไปทุกข์ไปอีกน่ไอ้สิ่งเดียวกันที่เคยให้สุขกลายเป็นต้อทุกข์แล้วในระหว่างที่ยังชอบยังให้ความสุขได้ก็เกิดความยึดมั่นเกิดความยึดติดหวงแหนเป็นทุกข์เพราะมันอ่าเป็นหวงเป็นหว เป็นความทุกข์เพราะสิ่งแบบนี้ในหลายปัจจัยด้วยกันแต่ลวว่าตอนหวังก็มีบดัดตอนไม่ได้ก็ผิดหวังนะีตอนสมหวังแล้วเนะี่ยก็ได้มาก็หยุดติดผงแหนเกิดความหวงกัลเพราะมันผงแผ่เพราะมันทุกข์เพราะความบ า, รามดระบายผู้อื่นเกิดพอเบือนนายขึ้นมาอีกจับใจอยู่อีกแยกจากมันไม่ได้ทุกข์อีกใช่ไหมรุนแรงมันปัญหามันเยอะเลอเกินเนะนี่ยนี้พระเจ้าก็สอนไ้เพื่อให้รู้ทันถ้าเรายังอยู่กับมันจะเอาสูตรจากมันก็จะต้องปฏิบัติตามมันให้ถูกต้องก็ทงใจยัง แต่เราไม่ได้ก็ไปดตามเหตุปัจจัยเอาหลักของความจริงความรู้เท่าทันธรรมะในกฎธรรมชาติมาช่วยมันก็เดนบรรเทาลงในขณะที่ยังไม่ได้มีความหวังแต่ก็อย่าไปวหวาดให้รว่าเป็นไปตามเหตุปัจจัยเมื่อมันหวังอยู่อย่างนั้นก็อย่าไปทาให้เกิดความรู้สึกรำแวงผู้อื่นหรือว่าไปแย่งชิงกันนะแล้วก็อย่าไปรู้สึกผิดหวังถ้าหาก็าไม่ได้ก็ให้รู้ทันปรับใจได้หรือว่าได้แล้วก็อย่าไปอยู่ด้วยความยติดหังแขนป็นท่าีของมันมัวแต่หวกังวลนะแล้วก็ถัดแย่งกับผู้อื่นด้วยความห คุณต้องรู้จักปฏิบัติตามวันให้ถูกต้องให้คุณทุกน้อยแต่คุณต้องรู้ความจริงนะในเมื่อคุณยังอยู่กับการรคุณจะต้องเจอใช่ไมแลอยู่ที่คุณจะปฏิบัติได้ถูกแค่ไหนทีนี้อ้าวทีนี้ต่อไปในลักษณะที่มันขึ้นต่อสิ่งเหล่านี้นั่นสิ่งเหล่านี้มันมีธรรมชาติของมันอีกคือเป็นอนิจจังทุกครั้งนันตาเอาแต่สใช่ไหมนี่มันเป็นไปตามกฎธรรมชาติมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันและชีวิตของเราก็เช่นเดียวกัน <m> นะตัวเราชีวิตเราก็เป็นอนิจจังทุกครั้ ทีนี้ถ้ารมันสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปก็เกิดทุกข์อีกใช่มที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยไอสาเหตุที่มันมีความผิดหวังเสียดายหรืออะไรต่างๆเนี่ยมีการพัดพากราต่างก็เพราะมันเป็นไปตามอนิจจังทุกขังตาตานี้ด้วยอนิจจังทุกขังตาตานี้ก็ต้องรู้เท่าทัน้ารู้เท่าทันะปรับใจให้เบาจทุกข์รกรแต่ว่าแต่ตัวอนิจจังทุกขังตาตานี้กฎธรรมชาติเนี่ยถาจะเป็นเหตุให้คนที่รู้เท่าทันี่เกิดทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้แต่ก็ต้องร้ความจริง ก็จะมอ ง, งว่าเรองการนีก็มีข้อเสียหลายอย่างวันนี้ผมอาจจะนึกมาไม่ทันหมดนะเพราะเคยตมนไว้เวลามาพูดทีนึงมันก็นึกออกบ้างก็นึกไม่ออกบ้างนะอันนี้ก็ขอข้ามไปละทีนี้นนในแง่ชีวิตของตัวเองที่ต้องไปขึ้นต่อมันแล้วก็เป็นไปตามบรรทัดฐานของตาะเนี่ยอันนี้สองในแง่สังคมนนในแง่สังคมเพราะว่าในรับคมนี่จะหาสูบจากสิ่งเสพซึ่งเป็นสิ่งอยู่ภายนอกเป็นวัตถุที่มีจากัดนะด้วมากก็มาจากธรรมชาติแล้วก็มีการผลิตด้วยะระบบคอมมนุชินุศาสตร์เป็นผลิตภัณฑ์อะไรต่าง ก็เกิดการเปียเียนมการรัอเปรียบในสังคมก็เกิดทุกในสังคมเกิดการเดร้อนนีปัญหาที่สตตามนะเป็นทุกโทในสังคมแล้วก็าในปัจจุบันก็คือทำลายธรรมชาติร้อสัักธรรมชาติรอยหรอและในกระบวนการผลิตก็จะต้องมีการถ่ายของเสียออกไปในอากาศเป็นควันในลงโรงงานบ้างเป็นน้าเสียลงไปในแม่น้าบ้างนะลงไปในดินเสียบ้างนะแล้วทให้เกิดอุณภูมิสูงขึ้นในบรรยากาศเกิดจะที่รอปล่อยทาใดออกไซด์ขึ้นไปเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของมลภาวะธรรมชาติเป็นร่มเสื่อมโทรมอันนี้ก็เปเนป สองังคมแย่ามธรรมชาติไปล้อมแย่พอสังคมแย่ธรรมชาติไล้อมแย่อากาศเสียดินเสียน้ำเสียไฟเสียไฟเสียก็คืออภูมิมันสูงขึ้นในบรรยากาศนะดินน้นไฟเสียหมดมันก็ส่งผลกระทบกลับมาต่อสุขภาพกายของมนุษย์อีกทำให้ร่างกายต้องเป็นโรคเป็นภัยต่างๆนะเช่นอยู่ในธรรมชาติไปล้อมปัจจุบันในปรงเทศเนี่ยคนก็เป็นโรคเพราะอากาศเสียเยอะเลยนะในประเทศในบ้านเมืองที่เจริญพัฒนากเช่นเดียวกันป็นสังคมที่แข่งแย่งกันรัเอเปี่ยแข่งขันการเปี่ยเวียนกันก็ทาให้จิตใจค่นอยู่ด้วยความเครียดพอเคร อะไรเป็นปัญหาไปหมดอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพราะนั้นนี่ก็เกิดจะโทษของกลาทังสิ้นันมิุนสุขเกิดจากอามิดสิ่งอยู่รอดไอ้นั้นว่าข้อดีของกลามก็มีอย่างที่ว่ามาแต่ข้อเสียของกลางจุด ก, ก่อนก็เยอะแยะแล้วถ้าทายังอยู่ในกลางในสิ่หาคามสุขต้องปฏิบัติออกมาให้ถูกต้องให้เกิดโทษทุกน้อยที่สุดนะต้องระวังอันตราย่ที่ว่ามาว่าทไไม่ให้เกิดนีต่ต่ามใดที่ยังอยู่ในระดับที่สิยหากามสุขอยู่ไม่ปลอดภยัยเพราะมันไม่มีตัวช่วยไม่มีตัวดุลยภาพที่ว่าจะทำให้เขา้อง การที่เขาจะต้องปฏิบัติไม่ให้เกิดโทษมากเนี่ยเขาต้องยับยั้งชังใจตัวเองการยับยั้งชังใจก็จาใจก็สูนใจเมือ่อฝใจก็อยู่ในความทุกข์ม่อยู่ในความทุกข์หนึ่งตัวเองก็ไม่สบายไม่สุขจริงองมันมันฝูนอยู่นี่มันอาจจะระเ บ, บิดอะไรก็ได้นั้นคนจำนวาจะไม่ยอมฝืนแล้วฝืไม่ไหวก็จัตั้งระเบิดออกไประเบิดอไปก็ไม่มีหลั ก, กนะรประกันนะไอ้ระบบความปลอดภัยของชีวิตของสังคมของสัมพันธ์เป็ร้องไม่ปลอดภยัยเราตัดใดที่มันจะอยูแค่ว่ายับยั้งตัวเองนะนะอดตั้นฝืนใจไม่ได้นี่คือจะอปปได้ทำความรู้กฎหมา ทำให้คนนีมีความสุขที่เป็นของตัวเองเป็นอิสระไม่ต้องมาขึ้นรสิ่งเสพแล้วนอกจากนั้นแล้วก็จะมาทาให้การถอนหาสิ่งเสพนี้มันดีไปเป็นวิธีการที่ดีที่ถูกต้องเองโดยอัตโนมัติด้วยใช่อันนี้คือเรื่องที่เราจะพูดต่อไปวันนี้พูดมาซะดิบยาวยังไม่พเรื่องความสุขจากสิ่งเสพทางวัตถุเลยนะก็ยังอยู่ในขั้นการมาสุขแล้วก็สามสุขนะก็คิดว่าในขั้นนี้พอสมควแล้วทีนี้เอาไว้ครั้งต่อไปก็จะพูดเรื่องการพัฒนาชีวิตเพื่อให้ได้ม ก <c oughs> ็จะได้มีสติจะได้มีสติแล้วก็ <c oughs> รกาขัน <c oughs> นี้ใช่มการศึกษาันบนด้วยเพราะมันมันจะพ่ อ, อ, อไปทำ ง, งานนั้นตั้งแต่เรียนก็เลยจุดมุง่งใช่จุดมุ่งก็อไปหาสิงเสียดแล้วก็การศึกษาพัฒนาความสามารถไปหาสิ่งเสีย่เวลาเรียนก็พูดันแต่ว่าจบแล้วจะไปหาเรื่อหาทององาหาสิ่งเสรถยนต์โทรทัศน์อะไรต่างๆสิ่งเสดนั้นเลยใช่ไหมอยู่ในการประสบบเลยพัฒนาด้านเดียว